สาโลกตามความหมายของพุทธศาสนาวงเล็บเปิดบสามพฤษภาคม25งพัน้าห้าสในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสิเกวงเล็บปิดอะไรคือโลกกายกับใจนี้คือโลกนะสิ่งข้างนอกที่เราเรียกว่าโลกนั้นเป็นโลกทางสํานวนโวหารทางภูมิศาสตร์ทางดาราศาสตร์แต่โลกตามความหมายของทางพระพุทธศาสนาคือร่างกายที่ยาวประมาณหนึ่งวาหนาหนึ่งคืบ กว้างหนึ่งซอกอย่างหลวงพ่อก็ประมาณสองซอกอะไรอย่างนี้นะแต่ละคนมันก็เหลือหล่อมๆบ้างนะไม่ใช่มีแต่ร่างกายนะสิ่งที่เรียกว่าโลกคือกายที่ยาววานาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจครองมีความจําได้หมายรู้มีจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดนี่เรียกว่าโลกคือกายกับใจนั่นเองหน้าที่ของเราต่อโลกคือเรียนรู้มันเรียนรู้มันไปเรื่อยๆ บางทีกายกับใจนี้ก็ไม่เรียกว่าโลกเรียกว่าทุกก็ได้เพราะกายกับใจนี้เป็นตัวทุกขรู้โลกแจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าท่านได้ชื่อว่าโลกาวิทูรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่รู้ภูมิศาสตร์แจ่มแจ้งนะไม่ใช่รู้ดาราศาสตร์ท่านจะรู้หรือไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้กับท่านหรอกแต่คําว่าโลกาวิทูจริงๆเนี่ยคือรู้โลกคือกายกับใจนี้แจ่มแจ้งรูปธรรมนามธรรมนี้แจ้งจนไม่ยึดถืออะไรเลย ฉะนั้นถ้ารู้โลกแจ่มแจ้งก็ไม่ยึดถือโลกนะหรือบางทีท่านก็เรียกขันห้าเป็นทุกข์กายกับใจนี้เป็นทุกข์หน้าที่ของเราก็รู้ทุกข์เห็นไหมเหมือนกันแหละรู้โลกแจ่มแจ้งหรือรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็อันเดียวกันนั่นแหละพอรู้แจ่มแจ้งจิตจะคลายความยึดถือกายยึดถือใจนี้ เราจะเข้าถึงความสุขอันมหาศาลซึ่งเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นนึกก็นึกไม่ออกหลวงพ่อกล้าบอกเลยนะว่านึกก็นึกไม่ออกว่ามันสุขอย่างไรความสุขที่เราเคยเจอล้วนแต่เป็นความสุขที่อิงอาศัยสิ่งอื่นๆทั้งสิ้นกระทั่งอิงอาศัยญาณสมาบัตส่วนความสุขจากการที่ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะอัศจรรย์สุดๆเลยไม่ได้ยึดถืออะไรแต่มีความสุขที่สุดเลยมีความสุขกับความไม่มีไม่เป็นอะไร มันมีความไม่มีนะมีแต่ไม่ใช่ไม่มีแบบว่างเปล่านะมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสนะมันไม่มีขันนิพพานไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนิพพานมีนิพพานนะไม่ใช่นิพพานไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฐิเรียกอุเฉเถถิฐิหรือนัตถิกะทิฐิคือไม่มีอะไรเลยถ้าอีกอันขาดศูนย์ไปเลยเรียกอุจเจเฉถิฐิมันมี แต่มันมีความไม่มีอะไรคำว่าอะไรคืออะไรอะไรก็คือรูปกับนามกายกับใจหรือกองทุกข์ทั้งหลายนั่นเองกองกิเลสทั้งหลายนั่นเองดังนั้นพวกเราภาวนานะตอนนี้พวกเรายังเข้าไม่ถึงธรรมที่หลวงพ่อบอกนี้ค่อยศึกษากายศึกษาใจของเราไปเรื่อยๆถ้าศึกษาแจ่มแจ้งวันหนึ่งแจ้งได้เมื่อไรมันคลายความยึดถือออกไปแล้วความทุกข์มันก็ลดลงลดลง เพราะกายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆการที่เราต้องแบกหามกายแบกหามใจเอาไว้นี่ก็คือแบกหามความทุกข์เอาไว้นั่นเองต้องระมัดระวังนะค่อยๆศึกษาอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์